เรื่องของการพูดคุยธรรมะที่เรามาพูดคุยกันอยู่เป็น แล้วเอามาบอกต่อกรรมชรนั้นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นได้ในด้วยการปฏิบัติในปฏิบัติดีปฏิบัติเช่นเอ่อกนผม แล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งสิ่งที่ได้ฟังนั้นสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนั้นก็คือ นะแสดงทําเนี่ยก็คือบอกต่อนั่นเองในแต่สอนนี่คือคุณต้องคิดค้นขึ้นมาใช่มั้ยถ้าเราถ้าเราบอกต่อความรู้ของ นะผู้สอนนั่นแหละสอนจริงๆนะลักษณะการสอนนั้นก็คือการเอ่อบอกให้ฟังนะ มาสอนมาพูดอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคือตัวร่างกายของสมณะโคดมพระพุทธเจ้าเนี่ย มาปฏิบัติตามการที่เรามาปฏิบัติตามมาใส่ไว้ในใจของ นะเราเอามาปฏิบัติเอาสัมมานั้นมาปฏิบัติอย่าง แล้วจะมีความรู้เกิดขึ้นไอ้ความรู้พุทโธพระพุทธก็อยู่ในใจของเรานั่นเองและเราพึ่งพระธรรมพึ่งฟัง ประนีปาไปแล้วแล้วมีแต่คําสอนอยู่คําสอนเป็นศาสดาคือธรรมะนั่นเอง เกิดพุทธะขึ้นพุทธะธรรมะสังฆะก็จะอยู่แวดล้อมในใจของเราในตนของเรานั้นทําโอ้ยอย่าไปๆสั้นๆศีลสมาธิปัญญาพูด น่ะก็เป็นพูดถึงมรรค 8 นะมรรค 8 สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอา นั่นด้วยการที่วาจาไพเราะวาจาไพเราะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในสัมมาวาจา ไอ้ความคิดที่คุณจําต้องมาทําๆให้กันนะไม่ด่ากันไม่ว่ากันมีอะไรก็พูดใจดีๆนะก็อาจ น่ะคุณเน็นถูกละคุณจะต้องมาพูดจาดีๆกันในเวลาที่เค้าโกรธเข้าอะไรเค้าแบบมีความพึมพึมตึมๆอยู่ใน ในบางทีมมันจะเผลอไปไปด่ากันบ้างบางทีมมันจะเผลอไปพูดแรงๆบ้างพูดคำหยาบพูด แล้วก็มีสัมมาวาจามาเกิดขึ้นเราพูดจาดี ทำนะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงระลึกถึงอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะเค้าเรียกว่ามีได้ทำทำ 5 ข้อละแล้วถ้าเรา แนวผู้จาที่ไม่กระทบกระทืนใครผู้จาวาจาที่ไม่โกหกและตรงเนี้ยเป็นศีลที่จะมีผลทําให้เรามีความ <ๆ. S 2> ก็เป็นสัมมาสังคปะเกิดขึ้นนะเป็นสัมมาสังคปะเกิดขึ้นก็เป็น 1 ในมรรค 7 ข้อละนะเราทำไปอย่างนี้นะคนที่มีสัมมาการรักษาวาจาดีมีการรักษากายดีเนี่ยจะทำสัมมาอาชีวะ พูดล่อลวงหรือพูดท้าให้เจ็บใจจนท้องยอมๆเติบโตเจริญขึ้นได้ทางฝั่งนะการที่ทํามรรค เราอาจจะเอ่อตกแต่ง 3-4 วันน่ะให้แสงแดดบ้างใส่น้ําบ้างนําค่อยๆโตขึ้นมา นะโดยการที่ค่อยๆทําค่อยๆปรับปรุงไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญานะทําไปอย่างนี้นิพพานเนี่ยหรือวิมุตติเนี่ยมันจะค่อยๆเจริญขึ้นได้นะวิมุตติคือความหลุดพ้นนิพพานคือความดับจะค่อยๆเจริญขึ้นได้ค่อยๆเจริญขึ้นได้หมายความว่าเราสามารถเห็นมันตั้งแต่ตอนนี้ มันเกิดขึ้นนั่นเตะนะหรือว่าถ้าเราทําสิ่งที่เป็นกุศลเราทําสิ่งที่ดีดีหรือแม้แต่ว่าไอ้สมาธิ อันนึงก็คือกามนั่นเองนะทีนี้ไอ้กาไอ้ความถอดค่อยๆถอนค่อยๆขุดกลางมัน นับปลูกเนี่ยค่อยๆทําการบ่มฟักปลูกค่อยๆทําให้เจริญเนี่ยเป็นกระบวนการของมรรคท่านผู้ฟังมรรคเนี่ยๆมากนั่นเองทําบ่อย เราเรียนตามวิธีทําไงเรียกๆมาๆ3 ข้อนะศีลสมาธิปัญญาเราอันหนึ่ง 2 อันนะไม่ได้ 2 อัน เป็นสิ้นเทนะคุณท่านเมแจงท่านฟังนั่นน่ะไม่แจงได้นั่นในรักษาศีลนักศึกษาวาจา